เด็กน้อยคนนึงขอเงินแม่ไปซื้อขนมพ่อแม่ให้20บาทเด็กน้อยก็รีบไปที่ร้านขนมซื้อขนม5้าบาทพอจ่ายเงินค่าขนมเจ้าของร้านทอนมาห้าบาทเด็กน้อยก็รีบคว้างเงินทอนแล้วก็ขนมออกจากร้านไปเลยถ้าเราจะเหตุาการณ์แบบนี้นี่เราจะอธิบายอย่างไรบางคน อ, อาจจะบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะ เจ้าของร้านทอนเงินผิดการเจ่อทอนสิบห้าบาทก็ทอนห้าบาทถามเด็กน้อยก็ลุกลี้ลุกลนรีบทอนห้าบาทก็รีบคว้าเงินทอนออกจากร้านไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันถูกต้องหมดล่ะที่เจ้าของร้านทอนเงินห้าบาทก็ทอนถูก ไม่ได้เผลอไม่ได้พลั้งอะไรเราจะอธิบายเหตุการณ์นี้อย่างไรหลายคนใช้เวลาคิดนานเลยนะถ้าเจ้าของเขาทอนเงินครบทอนเงินถูกไม่จะถูกได้ยังไงนะก็อาจจะคาในใจ ถ้าเกิดยืงจันว่าเนี่ยทุกอย่างมันถูกต้องหมดเนเราจะที่บายเหตุการณ์นี้อย่างไรหลายคนก็งงนะที่งงเพราะอะไรนะที่งงเพราะไปคิดว่าหรือไปเข้าใจว่าเด็กน้อยเนี่ยยืน่นเงินยี่สิบบาทให้พ่อค้าหรือเจ้าของร้านถ้ายื่นให้ยี่สิบาท ทอนห้าบาทมันก็ผิดเลยแต่ถ้าทอนห้าบาทนี่มันถูกต้องแล้วมันแปลว่าอะไรนะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กมียี่สิบาทก็จริงนะแต่ว่าเด็กยื่นเหรียญสิบให้ขนมห้าบาทก็ได้เงินทอนมาห้าบาทก็ถูกแล้วแต่ที่หลายคนงง พอไปคิดว่าเด็กเนี่ยยืนเงินยี่ิบาทให้บางที่ในโจทย์นี่ไม่ได้บอกเลยแต่คิดไปเองนะเรียกว่าคิดเกินโจทย์นะโจทย์ก็ไม่ได้บอกสักหน่อยนะว่าเด็กเนี่ยยื่นเงินย0สบบาทให้กับพ่อค้า แต่พอเราคิดไปพอเราเติมเข้าไปนะต่อเติมเข้าไปว่าเด็กให้ยี่สิบบาทได้เงินทอนห้าบาทมันจะถูกได้ยังไงมันถูกไปไม่ได้นะที่มันไม่ถูกก็เพราะเราไปเข้าใจผิดเองนะว่าเด็กเขายื่นเงินให้ยี่สิบบาทอีกกรณีหนึ่งนะอันนี้มันค่อนข้างจะดูเดือดสักหน่อยนะ รถคันหนึ่งเนี่ยชนสาไฟฟ้ายังแรงกลางดึกผู้เป็นพ่อตายคาที่เลยแต่ผู้เป็นลูกเนี่ยบาดเจ็บสาหาัสก็มีคนพาส่งโรงพยาบาลทันทีเลยบอกว่าสมองกระทบกระเทือนมากต้องผ่าตัดสมองอย่างปัจจุบันทันด่วนสัญญาแพทย์มือหนึ่งของโรงพยาบาลก็ถูกเรียกมากลางดึก เพื่อมาผ่าตัดสมองแต่พอหมอเนี่ยเห็นคนไข้ซึ่งนอนหมดสติอยู่บนเตียงผ่าตัดก็ชังักแล้วก็บอกว่าเนี่ยผ่าสมองคนไข้คนนี้ไม่ได้เพราะเข้าไปรูปของตนเด็กคนหนึ่งฟังเรื่องนี้แล้วงงนะอาพ่อตายไปแล้วไม่ใช่เหรอ แล้วหมอหรือสัญญาแพทย์นี่ทาไมาจึงบอกว่าเนี่ยนี่เป็นรูปของตนอถ้าเราจะอธิบายให้เด็กที่งงกับเรื่องแบบนี้จะอธิบายว่าอย่างไรเราอธิบายว่าเนี่ยสัญญาแพทยคนนี้เป็นพ่อบุญธรรมนะแต่ถ้าไม่ใช่พ่อบุญธรรมล่ะ เพราะว่าผู้ป่วยนี่ไม่มีพ่อบุญธรรมแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงหมายความว่ายังไงโจทย์นี้มีคนคิดเป็นชั่วโมงเนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นนักเรียนศักษาธรรมดานะเป็นคนมีความรู้จบปริญญา แต่ใช้เวลาคิดเป็นชั่วโมงก็หรือหลายชั่วโมงก็ตอบไม่ได้ว่าไม่สามารถที่จะให้เด็กฟังได้ว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องงงเลยอาชี่หลายคนเนี่ยงงไม่น้อยกว่าเด็กเนี่ยก็เพราะไปคิดว่าสั ญ, ญัาแพ่นที่เป็นผู้ชาย สัญญาแพทย์นี่เป็นผู้หญิงนะคือเป็นแม่ของเด็กแต่ว่าพอไปคิดว่าหมอผ่าตัดเป็นผู้ชายก็เลยงงแต่ในโจเขาไม่ได้บอกสักหน่อยนะว่าสัญญาแพทย์หรือหมอผ่าตัดสมองเนะี่ยเป็นผู้ชาย เขแค่ okay, บอกว่าสัญญาแพทย์ด้านสมองแต่ขยายความแต่เป็นมือหนึ่งของโรงพยาบาลหลายคนก็นึกไปถึงผู้ชายเลยนะอาเป็นเพราะว่าหมอสมองหรือหมอผ่าตัดสมองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายยิ่งมือหนึ่งได้แล้วเนี่ยมันต้องเป็นผู้ชายแน่ๆเลยอันนี้ก็เป็นความเข้าใจนะที่ทำให้ พอเจอโจทย์แบบนี้แล้วนึกไม่ออกอธิบายไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าใจรอนไ ป, ไปต่อเติมเอาเองนะไปต่อเติมโจทย์เนี่ยโจทย์ไม่ได้บอกสักหน่อยนะว่าสัญญาแพทย์เป็นผู้ชายแต่ก็ต่อเติมไปแล้วเป็นผู้ชายก็เลยนึกไม่ออก ทั้งสองโจทย์เนี่ยนะมันมันบอกอะไรเรานะมันกำลังบอกว่าคนเราเนี่ยมักจะต่อเติมหรือตีความสิ่งที่ได้ยินรวมทั้งสิ่งที่ได้เห็นด้วยและการต่อเติมตีความบางอย่างมันไม่ได้ทำให้เรื่องกระจ่างขึ้นเลยนะมันกลับทำให้ เกิดความสับสนมากขึ้นนี่เป็นธรรมชาติของคนเรานะใจเราหรือสมองเราเนี่ยมันชอบต่อเติมแล้วก็ตีความสิ่งที่ได้ยินได้เห็นแบบเรียกว่าปัจจุบันทันด่วนหมายถึงต่อเติมอยู่แบบปัจจุบันทันด่วนแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยอาจจะเป็นเพราะความเคยชิน อาจจะเป็นเพราะว่าอาคตินะที่ถูกปลูกฝังมานา น, นเช่นมีอคติว่าเนี่ยหมอสัญญาแพทย์มือหนึ่งมาต้องเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงได้ยังไงอันนี้เรียกว่าอาคติมันก็เลยทำให้เกิดความงงงวยขึ้นมา เดียกอย่างที่บอกนะว่าคนเราเนี่ยชอบตอบเติมหรือตีความสิ่งที่รับรู้มาแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวซะเยอะแล้วมันก็เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแทบจะตลอดทั้งวันเลยก็ได้เช่นเวลาเราเห็นเมฆเนี่ยสมองของเรารใจของเราก็ มองเป็นภาพเลยนะเป็นภาพภูเขาเครื่องบินอะไรเงี้ยเวลาเราเห็นเส้นปลาเส้นปลาทีอา่อยู่ในกระดาษเนี่ยเราก็สามารถจะมองเห็นเป็นภาพปลาภาพนกได้ทั้งที่มันเป็นเส้นปรา หรือบางทีมีจุดจุจุุดอยู่เนี่ยไม่มีขอบเราก็มองเห็นหรือตีความหรือเติมแต่งนะเปรูปหมาก็ได้อย่างเขาเคยเอารูปจุดจุจุดจุดมาให้คนดูเนี่ยคนก็มองเห็นเป็นรูปหมาเลยแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันมองไม่ออกว่าคืออะไรเพราะว่ามันไม่รู้จักเติมแต่ง แต่ใจคนเราหรือสมองคนเรามันเติมนะภาพที่ไม่ครบมันก็เติมให้เห็นเป็นรูปหมาได้หรือรูปอื่นก็ได้ไม่เร็วนี้เขาก็มีคนเอาภาพเนี่ยภาพวิวทือทัดอาจจะเป็นภูเขาอาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นตึกสนามหญ้าแม่น้ำหลายคนดูก็เห็นเป็นภาพหน้าคน เป็นภาพหน้าคนบางทีเห็นเป็นคนชื่อดังแบบโรนันโดก็มีทั้งที่เนี่ยถ้าดูในรายละเอียดนะมันก็มีแต่ภาพชิวทัศน์แต่คนเราเนี่ยพอเห็นภาพเนื้อมันจะเติมเติมรายละเอียดลงไปเพื่อทำให้ภาพมันมีความหมาย เป็นภาพหน้าคนเป็นภาพอะไรต่ออะไรมากมายอย่างเราเห็นหมู่ดาวเนี่ยนะเราก็จะเห็นเลยนะเป็นดาวในพรานนะหรือว่าดาวคันไถดาวกระบวยนี่มันก็เป็นการต่อเติมนะมันก็ทำให้หมู่ดาวพวกนี้เนี่ยหรือกลุ่มดาวพวกนี้มันมีความหมายขึ้นมาบางทีไม่พอนะแต่งเรื่องราว หรือตำนานเป็นเรื่องเป็นราวเนีตำนานดาวลูกไก่เงี้ยนี่ก็เป็นการต่อเติมนะที่ทำให้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันมีความหมายตามภูมิปัญญาที่มีในเวลา น, นั้นแต่เดี๋ยนี้เราก็รู้แล้วว่าไอ้ตำนานดาวลูกไก่นี่มันเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาเองที่จริงดาวทั้งเจ็ดดวงนี่มันก็อยู่ห่างกันมากทีเดียว แล้วก็อยู่ใกล้ไกลจากโลกนี่ต่างกันมากแต่พอเรามองเห็นจากพื้นลมก็เห็นเป็นกลุ่มแล้วก็แถมต่อเติมตีความก็เลยเป็นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานี่รำคัใจเราเนี่ยมันชอบต่อเติมหรือตีความจากสิ่งที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีประโยชน์นะมันทำให้เราแม้จะได้ข้อมูลไม่ครบ แต่เราก็ปฏิปะตะเราก็สามารถใช้ในการดำเนินชีวิตได้แต่บางครั้งมันก็ทำให้เกิดปัญหานะอย่างเช่นเห็นคนเห็นเพื่อนร่วมงานเข้ากระซิบกระซาบกันแต่พอเากาเห็นหน้าเราเขาก็หยุดแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานเจอภาพนี้เนี่ยหลายคนก็จะเติมแต่งเลยนะ ว่าเนี่ยเขากำลังนินทาเราหรือตีความไปในทางนั้นวัยรุ่นเนี่ยนะพอเห็นวัยรุ่นในการมองหน้าเนี่ยหรือสบตานี่ก็ตีความไปแล้วว่าเ้ามองหน้าหาเรื่องเติมแต่งเจตนาที่ชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังการมอง ทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้มีเจตนานงนเลยแต่เราเติมแต่งไปเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็ตีกันนะเพียงเพราะว่ามองหน้าในการที่คนเราเนี่ยชอบตีความหรือเติมแต่งเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทำให้เรามีปัญหากับคนอื่นเท่านั้น แต่บางทีมันยังสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราเองนะอย่างอาจารย์ประเวศวศสีท่านเคยเล่ า, าสมัยที่ยังรับราชการเป็นหมออยู่ที่สิริราชเนี่ยท่านอยู่ผนักโลหิตนะผนักเลือดวันหนึ่งมีคนไข้ผู้ชายในัยกลางคนเนี่ยตัวซีดเลยนะพร้อมแล้วก็อ่อนเพลียไม่มีเรื่องไม่มีแรง จนต้องนอนเปลมานะเดินไม่ไหวต้องมาให้ต้องให้พนักงานเขานะพาใส่เปลนะเอาใส่เปลแล้วพามาให้ท่านเขียนเปลมาให้ท่านอนาญจะิเวก็ดูอาการแล้วก็พูดคุยกับคนไข้สักพักก็หันไปคุยกับแพทย์ประจําบ้านกลายเป็นแพฝึกหัดนะบอกว่าเนี่ยคนไข้คนนี้ ไม่ได้เป็นอะไรมากนะก็แค่มีพญาติปากขอถ้าให้กินเหล็กก็จะดีวันดีคืนคนไข้พอได้ยินเท่า น, นี้ลุกขึ้นจากเปลเลยแล้วก็บอกหมอว่าเนี่ยถ้ามันเป็นเท่านี้เนี่ยผมก็ไม่ต้องใช้ไอ้เปล น, นี้แล้วละ่ะเข็นเปลไปเลย หมอยไม่ทั่นให้ยายเลยแต่ทําไมมีเรื่องมีแรงที่จะต้องถามหมาว่าเนี่ยเพียงมีแค่เพียนปากขอนะทําไมถึงไม่มีเรื่องไม่มีแรงเดินก็เพราะว่าไปคิดหรือไปตีความว่าที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นมะเร็งมั้งเป็นมะเร็งเนี่ยโหตัวสืดเลยนะมะเร็งแง่แงเลยพอเกิดเป็นมะเร็งเนี่ยใจเสียเลยพอใจเสียก็หมดแรง ไม่มีแรงเดินแม้ก็ทั้งไปหาหมอแต่พอรู้ว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยโอ้เลี้ยวแรงมันกลับมาเลยนี่ก็เป็นเพราะผลของการตีความหรือเติบแต่งเกิดเลยจากความเป็นจริงแถมปรุงแต่งตีความไปนในทางลบด้วยมันก็เลยทำให้ใจเสีย จะว่าไปแล้วคนเราเนี่ยความทุกข์ของคนเราเนี่ยเกิดเพราะทุกข์ใจเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราชอบเติมแต่งตีความสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินใจเราเนี่ยมันมีการเติมแต่งมีการตีความมีการให้ค่าอยู่ตลอดเวลาว่าอันนี้ร้อนอันนี้เย็นอันนี้มากอันนี้น้อยอันนี้สั้นอันนี้ยาว อันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้แฟอั น, นี้ไม่แฟพอเราตีความหรเติมแต่งหรือให้ค่าแบบนี้มันก็จะเกิดความรู้สึกบวกหรือลบนะเช่นถ้าตีความหรือเติมแต่งว่ามันมุมันมากนะก็ดีแต่ถ้ามองว่ามันน้อยก็ไม่ดี นะเช่นได้โบ น, นัสมาหรือได้กำไรเนี่ยถ้าให้ค่าว่าเออมากก็พอใจถ้าให้ค่าเติมแต่งหรือปุ่งแต่งว่ามันน้อยมันก็ไม่ดีนะเกิดความไม่สบายใจแล้วที่จริงแล้วเนี่ยจะมากหรือน้อยมันก็อยู่ที่ความคาดหวังนั่นนะ ถ้าสิ่งที่เราได้ทีสิ่งที่เราได้มาเนี่ยแม้จำนวนจะเยอะแต่มันน้อยออกับความคาดหวังมันก็ทุกนะเช่นได้10ล้านแต่คาดหวัง100ยล้านหรือคาดหวัง20ล้านมันก็ทุกแต่ถ้าได้10บบาทแต่คาดหวังเพียงแค่บาทเดียวก็ถือว่า ถ้าคาดหวังว่า1บาทแต่ได้10บาทเนี่ยไอ้บาทก็กลายเป็นเยอะไปกลายเป็นมากแล้วก็พอใจมากหรือน้อยเนี่ยไม่ได้ที่จำนวนเท่านั้นอยู่ที่ความคาดหวังซึ่งนำไปสู่การให้ค่าว่ามากหรือน้อยดีหรือลบดีหรือเลวชั่วหรือว่า ดีและเป็นเพราะความการเติมแต่งการให้ค่าอย่างนี้แหละที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ใจเวลาเห็นเวลาได้ยินอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเป็นการให้ค่าหรือเติมแต่งในทางลบนะแต่ถ้าเป็นการเติมแต่งให้ค่าในทางบวก มันก็ไม่ทุกนะมันเคยไปสังเวยในสถานนะพุทธคยาเนี่ยพุทธคยาเนี่ยถ้าใครหวังจะไปเจอความสงบไม่มีเสียงรบกวนเนี่ยผิดหวังนะเพราะคนนี่เป็นพันเลยและแต่ละคณะที่ไปเนี่ยก็จะมีการสวดมนต์รอบเจดีย์พุทธคยา ตามวัธนธรรมประเพณีของตัวยิ่งมาก็เป็นคณะใหญ่เสียงส่วนมันก็ดังส่วนมังที่ไม่พอใช้เครื่องขยายเสียงด้วยทุกคณะก็จะมีเครื่องขยายเสียงไม่ว่าจะเป็นไทยพมา่าทิบเบตศรีรังกาเสียงจะดังนะตลอดทั้งวัน แต่เราจะพบว่ามีผู้คนจะนวนไม่น้อยเนี่ยนั่งสมาธิอยู่รายรอบพระมหาเจดีย์อาการของเขานี่ท่าทางจะสงบมากเหมือนกับว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยถามว่าเขาไม่ได้ยินเหรอเขาได้ยินแต่ไมเขาไม่ทุกข์ไม่หงุดหงิดทาไมใจเขาสงบได้ พอเขาให้ค่ากับเสียงเหล่านี้ว่าเป็นเสียงแห่งกุศลเสียงแห่งมนตราเสียงที่เปลี่ยไมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์พอเขามองเป็นเสียงรบกวนเนี่ยเขาจะทุกข์เขาจะหงุดหงิดแต่พอเขามองว่ามันเป็นเสียงแห่งความศรัทธานะสารเสริญคุณพระพุทธเจ้าโอ้ยดีทั้งนั้นเลยพอตีความหรือให้ค่าในทางบวแบบนี้เนี่ยใจมันก็ ไม่ปฏิเสธนะใจก็เกิดความรู้สึกดีอนุโมทนาด้วยก็ เ, เลยนั่งสมาธิได้อย่างสงบแต่ถ้าเกิดว่าไปนั่งอยู่ริมถนนหรือในตลาดเนี่ยทั้งที่เสียงดังถ้าวัดเป็นเดซิเบลเนี่ยพอๆกันเนี่ยหรืออาจจะน้อยกว่าหลายคนจะงุหงดลำคาญเลยพอไปตีความให้ข้าวมันเสียงดังเสียงรบกวน เสียงดังเท่ากันนะแต่ความรู้สึกต่อจิตใจความรู้สึกในจิตใจนี่มันต่างกันมันขึ้นอยู่การตีความขึ้นอยู่การให้ค่าการให้ความหมายหรือถ้าเราจะเรียกแบบง่ายๆว่าอยู่ที่ว่าเราจะมองบวกหรือมองลบอย่างฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยนะทุกเช้าก็จะนั่งสมาธิ3 0นาทีบ้าง40นาทีบ้าง ก็นั่งได้ดีนะแต่วันหนึ่งนั่งไปได้ไม่ทันไยเนี่ยได้ยินเสียงค้อนค้อนตอกตะปูคือมีการก่อสร้างใกล้ๆในห้องใกล้ๆเนี่ยเสียงค้อนไม่เท่าไรนะต่อไปก็ต่อมาก็เสียงเลื่อยยนต์ เ, นเสียงเลื่อยยนต์นี่มันเสียงดังมากนะสหรับหลายคนมันคือเสียงที่ราคาสวดประสาทมากตอนที่เขาได้ยินเนี่ย เสียงเรื่ อ, อยๆมากระทบเนี่ยโอ้มันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะความรู้สึกมันก็เพิ่มขึ้นเลยแต่ก็มีสติพอมีสติใจมันก็ลดระดับลงแต่พอเผลอใจมันก็เพิ่มขึ้นใจก็เพิ่มเพิ่เพื่อลงี่อยู่หลายครั้งจนนั่นเขาลองหันมาพิจารณาเสียงนั้นดู เสียงด้วยโยนเนี่ยเพราะว่าเสียงบางครั้งก็ดังบางครั้งก็เบาบางครั้งก็สูงบางครั้งก็ต่ำบางครัง้งก็กระชากกระชั้นบางครั้งก็ลากยาวพิจารณาไปมันเหมือนกับเสียงเพลงเลยนะเพลงแบบเฮฟวีเมทัลอซึ่งเขาก็คุ้นอยู่พอเขามองเป็นเสียงเพลงเฮฟวีนะใจเขาสงบเลยไม่สงบงแต่เพลินด้วยนะเพลิน ความรู้สึกเปลี่ยนไปแล้วทั้งที่เสียงยังดังเหมือนเดิมเพราะอะไรนะเพราะว่าการตีความให้ค่ามันเปลี่ยนไปแต่เดิมหมอเป็นเสียงลาคาญเสียงดังเสียงระคายโสตประสาทแต่คร น, นี้หมอเป็นเสียงเพลงแล้วนี่ก็เป็นการตีความเป็นการให้ค่านะที่เกิดขึ้นในใจเราพอมองหรือตีความเป็นเสียงเพลงนะเออใจมันสงบและเพลินเลยนะมีบางช่วงเสียงมันหายไป ใจเขาอยาให้มันเสียงดังกลับมาใหม่นะเพราะว่ามันเพลินเผลอไปนะเผลอไปยินดีกับเสียงเพลงที่จริงยินดีหรือยินร้ายก็มันก็ไม่ควรทั้งนั้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เพลินไปจะแปลกนะพอชายคนนี้ให้ค้ากับเสียงที่มากระทบว่ามันเป็นเสียงเพลงเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเลยอันนี้มันแสดงว่าแสดงว่าสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรมากระทบกับเรานะ มนไม่ไดที่ว่ามีอะไรกระทบเราทางตาทางหูทางกายแต่มีที่ว่ามีการตีความมีการให้ค่ากับสิ่งที่มากระทบไหมไม่ใช่ว่าพอมันกระทบตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจแล้วเราจะทุกข์ทันทีไม่ใช่ความทุกข์ไม่ได้เกิดทันทีที่เกิดเมื่อมีผัสะัะแต่ทุกข์เมื่อใจเราเนี่ย ไปปรุงแต่งมันอย่างไรนะพูดง่ายๆคือปรุงแต่งในทางลบหรือทางบวกถ้าปรุงแต่งในทางลบก็ทุกข์ถ้าปรุงแต่งในทางบวกก็ไม่ทุกข์นะหรือถ้ารู้สึกเฉยๆกับมันนวก็เป็นปกติคนไไปเข้าใจว่าเนี่ยทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเกิดผัสสะเพราะนั้นก็เลยพยายามที่จะป้องกันไม่ให้มีผัสสะ เกิดขึ้นจากสิ่งกระทบที่เป็นเป็นลบแต่ที่จริงลบหรือบวกเนี่ยมีที่ใจเราไม่ได้ที่สิ่งที่มากระทบเราเสียงที่มากระทบเรามันก็เป็นธรรมดาเป็นกลางกลางแต่ใจเรา่างหากที่มันให้ค่าเป็นบวกหรือเป็นลบเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปป้องกันไม่ให้มีอะไรมากระทบกับเราหรือป้องกันไม่ให้เกิดผัสสะขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิธีทางของการ ดับทุกหรือการพ้นทุกแต่หมายที่ว่าเราจะปล่อยให้ใจเนี่ยมันมีการปรุงแต่งตีความหรือเติมแต่งอย่างไรซึ่งส่วนใหญ่เราไม่รู้ทันปล่อยให้มันปรุงแต่งในทางลบเราก็เลยเป็นทุกเกิดความหงุดหงิดแต่ถ้าเราฉลาดนะเรา ไม่ปล่อยให้มันปรุงแต่งในทางลบรู้จักปรับใจปรุงแต่งตีความในทางบวกมันก็ไม่ทุกนะที่ถ้าเราศึกษาปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเห็นเลยนะเมื่อมีผัสสะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกทันทีนะมันต้องเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานพกชาติชรามรณนะแล้วจึงเกิดทุกข์ มันมีช่องว่างระหว่างผัสสะกับทุกเนี่ยมีหลายขั้นตอนเกิดขึ้นระหว่างนั้นก่อนที่จะเกิดทุกนะและกระบวนการหรือขั้นตอนเหล่านี้เราเรียกง่ายๆการปรุงแต่งปรุงแต่งตันหาปรุงแต่งภกชาตินะซึ่งมันก็นําไปสู่ชารามรณะถ้าเราดูแลใจดีไม่ปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งนะเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมา ไม่ปรุงแต่งเป็นภพชาติมันไม่ก็ไม่เกิดชรามรณะมันมก็ไม่เกิดทุกข์ทรมนนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญมากนะการที่เราพบความจริงว่าทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อเกิดมีทันตีที่เกิดการกระทบแต่ทุกข์เกิดขึ้นเมื่อมีการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งในทางลบหรือว่ารวมไปถึงกิริยาอาการอย่างอื่นเช่นผักใสยึดติดถือมั่น หรือที่ทำมันคือปรุงแต่งตัวกูของกูขึ้นมาตรงนี้แหละที่มันจะเป็นกระบวนการที่ทําให้เกิดทุกข์แปลว่าแปลว่าเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ใจเราไม่ได่ที่รูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบถ้ารู้ถ้าเหตุทุกข์อยู่ที่รูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบนี่ัวเราแย่เลยนะเพราะว่าเราต้องเจอกับรูปรสกลิ่นเสียงที่ไม่ดีมากมายตลอดทั้งวันตลอดชีวิตแต่ถ้าเกิดว่าเหตุแห่งทุกข์อยู่ที่ใจเราอยู่ที่การปรุงแต่ง มันก็หมายความว่าเรามีความสามารถที่จะไม่ทุกข์ก็ได้ถ้าเราไม่ปล่อยให้มันปรุงแต่งไปในทางลบนะรวมทั้งไม่ผักใสไม่ยึดติดถือมั่นหรือถ้าจะปรุงแต่งก็ปรุงแต่งในทางบวกนะอย่างตัวอย่างที่ยกมานะซึ่งอันนี้มันอยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้พื้นฐานนั่คือว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่เราอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะเลือกปรุงแต่งในทางไหน